เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มก้างานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพี่ที่อนุญาตให้นำเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบขอบคุณคุณรุ่งทิพย์ดวงพยับที่ส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงขออนุโมทนาทุกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะครับ ผลงานทุกอย่างที่เป็นเสียงโจโฉเผยแพร่ทําทสําเนาแจกฟรีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแรงบันดาลใจเล่มก้าวันก่อนหลานชายอายุห้าขวบของผมมาหาที่บ้านหลานคนนี้ก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนที่รู้มากช่างคิดช่างซักตลอดจนโมโหโกรธาแรง แตกต่างจากเด็กยุคก่อนๆซึ่งก็คงด้วยอิทธิพลของสื่อและสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กตัวเล็กๆที่เพิ่งเกิดไม่กี่เดือนกี่ปีกลายเป็นมนุษย์ยุคใหม่เกือบกลายพันธ์กันเป็นหมดแล้วหลานชายของผมเพิ่งเริ่มหัดเขียนหนังสือยังผิดผิดทุกๆกและต้องถ า, ถามผู้ใหญ่ว่าคำไหนสะกดว่าอย่างไรอยู่และวันที่เขามาหาก็ถามหากระดาษปากกา ซึ่งผมก็จัดให้ไม่ได้คิดอะไรมากเขาลงนั่งเขียนบนโตกินข้าวปากก็ถามพี่เลี้ยงของเขาว่าคำนี้เขียนยังไงสะกดเป็นคำคำไปเรื่อยแล้วช่วงท้ายก็หันมาถามผมด้วยผมนั่งอ่านอะไรอยู่แต่ปากก็ตอบไปเช่นคำว่าได้และคำว่าสุขสะกดให้ถูกต้องอย่างไรแต่ยังคงไม่สนใจนะัก กระทั่งหลานเขียนเสร็จครบทั้งหมดเขาจึงเดินเอากระดาษมาส่งผมดูพอผมอ่านเข้าก็ตลึงเล็กๆด้วยใจปีติในหนังสือนี้มีรูปลายมือของน้องที่เขียนด้วยนะครับดังภาพที่แสดงไว้นะครับหลานผมเขียนว่าธรรมะต้องทำดีๆจะได้มีความสุขผมไม่เคยสอนเขา แล้วก็แน่ใจว่าคงไม่มีใครเคยสอในให้เขียนประโยคนี้นับเป็นการเขียนออกมาจากความเข้าใจและที่สำคัญคือเขานึกอยากเขียนของเขาเองด้วยผมจุงมือเขามาที่โต๊ะและบอกให้เขียนคำว่าธรรมมาให้ถูกบอกทีละอักษรและชี้แจงเกี่ยวกับการใช้รอหันขณะที่สาธยายไปก็รู้สึกแสนดีอย่างประหลาด พอผมลุกไปทางอื่นเขาก็ขีดข้าที่เขียนผิดทิ้งและเขียนเครื่องหมายถูกหลังธรรมะที่ใช่ดังที่ปรากฏอยู่ในรูปนั่นหละครับพอมาเห็นทีหลังผมก็รู้สึกเหมือนเป็นรางดีแก่ชีวิตแค่สอนให้เด็กคนหนึ่งเขียนคำว่าธรรมะเป็นก็รู้สึกบุญใหญ่ครั้งหนึ่ง หลานคนนี้ผมสอนให้กราบพระและสวดมนต์มาตั้งแต่ไม่ถึงสามขวบปัจจุบันหน้าตาเจ้าเล่ขึ้นนิดหน่อยอันนั้นไม่เป็นไรหวังว่ายิ่งโตธรรมะจะยิ่งแต่งให้ดูเป็นเด็กหน้าใสาใจซื่อขึ้นเรื่อยๆจุดใหญ่ใจความอยู่ตรงที่ว่าเราทําอย่างไรขณะที่ลูกหลานของเรายังเหมือนตุ๊กตาของเล่นขณะที่เขาอยู่ในวัยเริ่มต้นขณะที่เขาตัวเล็กที่สุด ถ้าให้ของใหญ่ที่สุดกับเขาวันหนึ่งพวกเขาอาจเติบโตและทำคุณใหญ่ให้กับโลกอย่างที่วันนี้เราไม่มีทางคาดได้ถึงวันหนึ่งพวกเราจะแก่ลงและตายไปถ้าไม่มอบมรดกธรรมะไว้กับคนรุ่นใหม่แต่เนิ่นๆ เ, เร็วๆนี้พวกเขาอาจโดนควนนรกปกติดแสงสว่างที่ยังสาดฉายจากพระพุทธศาสนา และจะไม่มีใครพูดถึงความดีที่ถูกทางกันอีกลงชื่อดังตรินธันวาคมพุทธศักราช2549